ความกรยิมยิ้มย่องกับความทักบกตั้งใจของเราไม่จำเป็นต้องใครรู้เรารู้นิสัยแบบนั้นช่วยตัวเองได้เอาตัวรอดได้หลักของตายก็คืออนิีจันทร์ผู้ฝังหน้าตามันไม่ไปตรงไหนมันไปตรงนั้นมันไม่ไปที่อื่นมันไปตรงนั้น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 งคนเป็นอย่างงั้นจริงๆเราดูที่เราเที่ยวไปเราไปเราไปันจำเกแล้ว่ะไปดูฝูงชนอยู่ตามสนามบินนะไปดู <c oughs> เดินจะชนพระมันก็ไม่สนเลยไอ <c oughs> พวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมารส่งศาสนาไม่รู้แหละแต่งตัวเนี่ยโอ้ยเทียงร้องเอาสิทธิมนุษยชน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 ทำตัวไม่ดีตัวเองทําตัวเองผิดศีลแต่เวลาไปพูดไล่ไล่เอาบทตัวบทกฎหมายนะครับเกลื่อนนล้วมันไม่ถูกต้องเรื่องศีลธรรมมันละเอียดกว่ากฎหมายเขียนลึกเข้าไปถึงหัวใจเรื่องของศีลของธรรมเรื่องของฮีริของโอตับปากไม่มีฮีริไม่มีโอตับปาก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 ทิ้งหมดนั้นแหะนังเจ้าปัยานีกระทิ้งเทวดาชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนาฟ้าชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนชั้นงามที่สุดมกุลอายละเกินอาศัยความละอายตั้งอกตั้งใจภาวนาได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่พระนันทะนะที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้านี่คือฮิริคือโอตบักมีคุณสมบัติมากมาย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 เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแล้วดีใจเคลื่อนใจนิดหน่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอยู่เท่าเดิมเพราะทุกอย่างอยู่ด้วยระบบระบบของงานอยู่ด้วยระบบระบบของงานสัานทุกกองถือว่าเป็นกองงานเราดูไปท่าลบบนหัวเรานะั่นคือกองงานกองงานหนึ่งมันถูอะไรผลักดันอยู่บนนั้น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 รู้วิธีเว้นได้หรือไมาได้กับตอกานกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยอะไรเอาเป็นเอาใจใส่สเข้าไปอะไไม่ถอยลงมองเห็นเป้าประสงค์ที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นไม่ใช่ตั้งไว้อย่างลมมแรงๆให้ความสำคัญเห็นคุณค่าให้ความสำคัญน้อยเกินไปไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรในหงวัะะวใจเวลาโทษเราเราก็ไม่ได้ะจะไปโทษใคร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 มันเป็นข้อปฏิบัติที่เลื่อกูนกับจิดของคนทุกชนทุกชั้นทุกระดับชั้นยกเว้นแต่คนมีกรรมมาใบวิกลจริตทำอะไรไม่ได้นนอันนคกรรมของเขากํามันหนักเรามีสติมีสมัมผััญญะพอประมาณรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้นู้รู้รรนี้เรามีบุญเหมือนกันสามารถทำได้สุดคอลอบรมได้ถ้ก ต, ตั้งใจทาได้